เจริญพรท่านผู้มีจจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมารับ รางวัลที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้แก่พวกเราพวกเรานี้เป็นเหมือนผู้ที่ถูกรอตเตอรี่ถูกรางวัลที่หนึ่งเมื่อเราถูกแล้วเราก็ต้องไปขึ้นเงินกันฉันใดการได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาก็ยิ่งกว่าการถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเสียอีก เพราะรางวัลที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาก็คือมรรคผลนิพพานคือการได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอาราหันต์ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันอย่างนั้น การนาวันเพื่อมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจึงถือว่าเป็นการมาขึ้นรางวัลพอเราปฏิบัติไปแล้วผลก็คือมากผลนิพพานต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ได้ขึ้นรางวัลกันมาแล้วเป็นจำนวนมากตั้งแต่ครั้งแรกที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนก็มีผู้ได้ขึ้นรางวัลกันมาตามลำดับรางวัลก็ตั้งแต่รางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่สี่รางวัลที่หนึ่งก็พระอรหันต์รางวัลที่สองก็พระอนาคามีรางวัลที่สามก็พระสกิดาคามีและรางวัลที่สี่ก็คือพระโสดาบันเมื่อได้รางวัลที่สี่แล้วก็ เลื่อนขึ้นไปรับรางวัลที่สที่สองที่หนึ่งตามลำดับต่อไปถ้ามีการปฏิบัติสุปฏิปโนอุชุยายะสามิจิปฏิปโนมักผลดิพานคือรางวัลทั้งสนี้ก็จะเป็นของผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอนถ้าไม่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีโอกาสได้ขึ้นรางวัล เหมือนคนที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกรางวัลเกิดมาก็ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเหมือนกับการที่ได้มาเกิดมาเจอกับพระพุทธศาสนาทีนี้ผู้ที่มาเกิดนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสี่ชนิดด้วยกันคือบัวสี่เหล่าผู้ที่จะสามารถรับรางวัลได้ช้าหรือเร็วต่างกันไป หรือไม่ได้รับรางวัลเลยมีอยู่สามพวกนี้จะมีโอกาสที่ได้รับรางวัลกันคือบัวที่อยู่เหนือน้ําบัวที่ปริ่มน้ําและบัวที่อยู่กลางน้ําจะค่อยๆเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาจนอยู่เหนือน้ําแล้วพอได้รับแสงของพระอาทิตย์ก็จะบานออกมาพวกที่อยู่เหนือน้ําแล้ว พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเพียงครั้งสองครั้งก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ส่วนผู้ที่อยู่ปริ่มน้ำนี้ก็ต้องรอเอกสับวันสองวันให้โ่เหนือน้ำขึ้นมาก่อนแล้วก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้คือต้องฟังธรรมหลายหนปฏิมัติมากหน่อยมากกว่าพวกแรก พวกแรกนี้ไม่ต้องปฏิบัติเลยหรือปฏิบัติในขณะที่กําลังฟังเทศฟังธรรมอยู่พวกนี้สามารถบรรลุมักผลนิพพานได้ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมดังที่ปรากฏมีอยู่ในพระไตรปิฎกเช่นพระอาญยานโกฏัญญาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นครั้ง เพียงครั้งเดียวครั้งแรกและต่อมาหลังจากที่ได้ฟังอีกครั้งสองครั้งพระพนจนจวค่คคีทั้งห้าก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันทั้งหมดเลยนี่เป็นพวกที่เป็นพวกบัวเหนือน้ำพวกนี้เขามีภาวะพร้อมที่จะรับกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ คือเขาได้ทำทานมาอย่างโชคโชนทำทานมาอย่างเต็มที่มีสมบัติเก้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรเขาก็สละไปหมดให้ผู้อื่นไปหมดแล้วก็ออกมาบำเพ็ญบำเพ็ญศีลและการปฏิบัติธรรมมีศีลมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญา เพราะไม่มีใครรู้ปัญญาที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนผิพพานกันต้องรอพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนเท่นั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนพวกนี้ก็จะได้แค่ชั้นพรหมสว่างชั้นพรหมแต่เป็นพรหมที่ไม่ถาวรหลังจากที่บุญหมดไปก็จะเลื่อนลงมาเป็นเทพ เรื่อนลงมาเป็นมนุษย์ต่อไปจะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคำสอนพอได้ยินได้ฟังธรรมก็จะบรรลุพับผลนิพพานขั้นต่างๆทันทีเลยนี่คือพวกแรกพวกที่มีมีความสามารถมีบุญ ไว้รอรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมีทานมีศีลมีสมาธิพวกที่สองนี้ก็เปลียนเหมือนกับพวกที่มีทานมีศีลแต่ยังไม่สามารถนั่งสมาธิได้ทำจิตใจให้สงบยังไม่ได้พวงนี้ก็ต้องพยายามมันเจริญสติมันนั่งสมาธิ จนกว่าจิตจะรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกาตาลงเป็นฌานถ้าได้ฌานได้ความสงบจิตรวมตัวเต็มที่แล้วพอออกมาจากฌานออกมาจากสมาธิพอได้ยินได้ฟังหรือพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้ ส่วนพวกที่สามคือพวกบัว ก, กลางน้ำนี้ก็เป็นพวกที่ทําทานอย่างเดียวมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพออินทรีย์คือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญายัาง อ, อ่อนถ้าเป็นคนก็เป็นเหมือนเด็กที่ยังไม่สามารถที่จะ ทำอะไรได้ด้วยตนเองหรือทำได้ก็ไม่มากเหมือนผู้ใหญ่ต้องรอให้เจริญเติบโตกขึ้นมาก่อนต้องพัฒนาจากการทำทานให้ขึ้นไปสู่การรักษาสินรรกษาอย่างจริงจังไม่ใช่รักษาแบบมาวัดพอสมาทานสิลก็สมาทานไปพอออกจากวัดก็โยนสิลทิ้งลงถังขยะไป อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการรักษาอย่างจริงจังรักษาอย่างจริงจังนี้ต้องเป็นนิ จ, จสิงคืก็เป็นสิงค์สิงค์ที่เป็นนิสัยคือรักษาอยู่ทุกวันเช่นศิลห้านี่จะรักษาทุกวันจะขาด บ, บ้างเกินบ้างก็ไม่เป็นไรก็ค่อยทําไปแต่อย่าอย่าไม่รักษาเลย ควรจะรักษาศีลห้าทุกวันได้กี่ข้อก็ดีกว่าแม่ได้เลยดีกว่าไม่รักษาเลยรักษาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะรักษาได้ส่วนในวันพระก็ให้รักษาศีลแปเพิ่มขึ้นอีกสาข้อแล้วก็เพิ่มวันขึ้นไปต่อไปจากอาทิตย์ละวันก็เป็นอาทิตย์ละสองวันสามวัน จนในที่สุดก็รักษาศิลได้ศินแปได้ทุกวันแล้วก็จะได้เป็นเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนการนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อได้รักษาศิลแปถ้าไม่ได้รักษาศิลแปดแล้วจะไม่มีกําลังพอที่จะนั่งสมาธิเพราะว่าศิล หานี้ไม่สามารถตัดกำลังของกิเลสคือกามฉันทะได้ก็กิเลสก็จะมีกำลังลากให้ไปหาความสุขกับเพื่อบันเทิงต่างๆแทนที่จะนั่งสมาธิก็ไปนั่งดูทีวีไปฟังเพลงไปร้องลําทำเพลงเต้นลําไปหาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่ถ้าถือศีลแปดแล้ว ก็จะตัดกำลังของกิเลสคือกามั่ันทะศทำให้ไม่สามารถไปหาความสุขจากเครื่องบรรเทิงต่างๆไม่สามารถหาความสุขจากการหลับนอนกับคู่ครองไม่สามารถหาความสุขจากการรับประทานอาหารหลายๆมือไม่สามารถหาความสุขจากการนอนบนฟูก ห, หนาๆได้เมื่อไม่มี เมื่อถูกตัดก็จะมีเวลาที่จะมานั่งสมาธิพอได้นั่งสมาธิเรื่อยๆบ่อยๆต่อไปจิตก็จะรวมลงเข้าเป็นสมาธิพอได้สมาธิแล้วทีนี้พอฟังเทศฟังธรรมหรือนำเอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาพิจรารณาก็จะบรรลุธรรมได้พวกนี้ก็ต้องใช้เวลามากหน่อยเป็นพวกที่สาม ส่วนพวกที่สี่คือบัวที่อยู่ติดกับโคลนกับตนอยู่ในพื้นพื้นบ่อพื้นสะนี้จะไม่มีโอกาสจเจริญงอกงามขึ้นมาได้จะกลายเป็นอาหารของปูของกลาวไปเพราะพวกนี้ก็คือพวกที่ไม่ไม่ยินดทีที่จะมารับรางวัลที่พระุทธศาสนาจะมอบให้นั่นเองคือไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อว่า พระพุทธศาสนานี้มีมีมรางวัลอันเลิศอันประเสริฐที่จะมอบให้ถ้ามาขึ้นรางวัลคือถ้ามาวัดมาทาบุญให้ทางมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็จะได้รับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาแต่พวกนี้เขาไม่มีความเชื่อเขาคิดว่าเป็นเรื่องงมงาย เรื่องของศาสนานี้เป็นเรื่องของคนงมงายทั้งคนสอนและคนคนที่ฟังเขาไม่คิดว่าตายไปแล้วจะต้องไปเกิดใหม่เขาไม่คิดว่ามีนรกมีสวรรค์เขาไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมว่าทําดีได้ดีทํำชั่วด้ชั่วพวกนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีโอกาสที่จะ ได้รับรางวัลอันประเสริฐของพระพุทธศาสนาแต่พวกเราหนี้เป็นพวกสาสามพวกด้วยกันเกิดเป็นพวกที่อยู่กลางน้ำอยู่ปลิ่มน้านแล้วก็อยู่เหนือ น, าน้าขอให้พวกเรารีบขวนขวายกันรีบเร่งสร้างอินทรีย์ให้กลายเป็นพระละขึ้นมาอินทรีย์หก็คือศรัทธาวิริยะ สติสมาธิและปัญญานี่คืออินทรีย์ที่เราจะต้องสร้างเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราต้องมันรดน้ำพรวนดินให้กับต้นไม้อยู่เรื่อยๆแล้วต้นไม้ของเราก็จะได้เจริญตโติโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ออกดอกออกผลขึ้นมาเราต้องสร้างอินทรีย์ห้านี้ให้กลายเป็นพละห้าเป็นพลังของจิต เป็นพลังของธรรมต่อไปศรัทธาก็เกิดขึ้นด้วยการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจากแหล่งที่ที่ถูกต้องคือจากพระไตรปิฎกหรือจากครูบาอาจารย์พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายท่านจะเป็นผู้ที่จะให้ความรู้ที่ถูกต้อง เมื่อเราได้ยินได้ฟังคำรู้ที่ถูกต้องแล้วก็จะทำให้เราเกิดมีศรัทธามากยิ่งขึ้นไปเพราะท่านจะแสดงอย่างมั่นใจแสดงด้วยเหตุด้วยผลที่ฟังแล้วไม่สามารถที่จะคัดคานด้อาจจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เท่านั้นเพราะเรื่องของจิตใจนี้เป็นเรื่องที่ปุทุชนนั้นยังไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตนเองเนื่องจากจิตใจของปุถุชนนี้ถูกโมหะความมืดบอดครอบงำอยู่จึงเป็นเหมือนคนตาบอดไม่สามารถเห็นตัวของตนเองได้ถึงแม้จะยืนอยู่ที่หน้ากระจกก็ยังไม่สามารถมองเห็นตัวของตนได้เพราะถูกความมืดบอดคือโมหะอวิชาครอบงำอยู่เป็นเหมือนคนตาบอด แต่อย่างน้อยพอได้ยินได้ฟังธทรรมแล้วพิจารณาตามก็จะคัดค้านไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ถึงแม้ว่ายังจะมองเห็นไม่ได้ด้วยตนเองก็ยก็ต้องยอมเชื่อไปก่อนก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาจะเชื่อในเรื่องของการทำบุญละบาปการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ว่าเป็นทางที่จะพาให้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรต่อไปเมื่อฟังธรรมบ่อยๆพอเกิดศรัทธาแล้วทีนี้ก็จะมีวิริยะคือความขยันพอเชื่อแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าสงสอนนี้มีจริงมัผลนมิพานมีจริงสามารถปฏิบัติบรร ล, ลุมัผลนมิพานได้ภายในชาตินี้เลย ถ้าถ้าขยันปฏิบัติสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาออพอเมื่อมีความเชื่อแล้วก็จะเริ่มเริ่มมีความขยันขยันทําบุญให้ทางขยันรักษาสี่งขยันจเจริญสติ เ, ออเมื่อจเจริญสติแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ เมื่อสงบได้แล้วก็ยิ่งจะมีกำลังจิตกาลังใจที่จะทำให้มากยิ่งขึ้นไปมีภารกิจการงานอื่นๆก็จะโยนทิ้งไปหมดมีงานก็จะลาออกจากงานถ้ามีอะไรที่จะตัดได้ปล่อยได้ก็จะตัดเพื่อจะได้มีเวลานั่งสมาธิปฏิบัติทำให้ให้มีมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับ และพอได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิก็สามารถเจริญปัญญาได้พิจารณาธรรมได้พิจารณาไตรลักษ์ที่จะทำให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้ผู้ที่มีดวงนาเห็นธรรมนี้จะต้องเห็นไตรลักษ์คือเห็นว่ามีการเกิดย่อมมีการจับไปเป็นธรรมดานี่เรียกว่าเป็นอนิจจัง เห็นทุกข์ก็คือถ้าผู้ถ้าไปยึดไปติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเช่นร่างกายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลายืดติดกับร่างกายก็ไม่อยากจะให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปแต่ความจริงของร่างกายนี้ก็คืออนิจจานี้เองร่างกายนี้ไม่เที่ยง มีเกิดแล้วต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดาถ้าฝืนความจริงระหยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าพิจารณาว่าร่างกายนี้นอกจากไม่เที่ยงแล้วยังไม่ใช่ตัวเราด้วยเป็นเพียงดินน้ำดลมไฟเราไม่ใช่ร่างกายเราเป็นเพียงผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ส่วนเรานี้เป็นเหมือนคนขับเราคือใจผู้รู้ผู้รู้สึกนึกคิดเราไม่ใช่ร่างกายเราเพียงใช้ร่างกายเป็นเป็นบริวารเราใช้ร่างกายให้ทําภารกิจต่างๆที่เราต้องการเช่นสั่งให้ร่างกายมาวัดนี่ก็ใจเราเป็นผู้สั่ง ถ้าเราไม่ได้สั่งร่างกายก็จะไม่สามารถมาถึงวัดได้เหมือนกับรถยนต์ถ้าเราไม่ขับรถยนต์ก็จะจอดอยู่กับที่ร่างกายนี้จึงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นวัตถุเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าเราฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ยินอย่างนี้ และเมื่อเรานำเอามาวิเคราะห์ดูพิจารณาดูเราก็จะค้านไม่ได้เมื่อค้านไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้พอเรารับความจริงอันนี้ได้เราก็จะปล่อยวางเราก็จะไม่ฝืนความจริงของร่างกายเราจะไม่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราปล่อยวางได้เราก็หายทุกข์ทุกข์ก็หมดไป พอเราเห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นอนัตตาว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเนี่ยนี่คือการเจริญปัญญาจเจริญไตรรักษ์จเจริญอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมะกเห็นว่าร่างกายความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราใช้สติปัญญาคือมากพิจารณาดู ก็เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ฝืนความจริงหยุดความอยากไม่แก่ไม่ไม่เจ็บไม่ตายพอหยุดปั๊บความทุกข์ในใจก็หายไปใจสงบเย็นสบายมีความสุขทำกลางความแก่ความเจ็บความตาย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างไรไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วิตกกัวงวลเมื่อวานนี้ก็มีคนมาเล่าให้ฟังอยู่คนหนึ่งว่าเวลาเขามีความทุกข์ใจนี้เขาก็คิดว่าอย่างมากก็แค่ตายพอก็คิดอย่างนั้นทุความทุกข์ก็หายไปหมดเลยพอเขาไม่ยึดไม่ติดพอเขาเห็นว่าร่างกายนี้ในที่สุดก็ต้องตายไปแล้วปัญหาอะไรต่างๆมันจะ มีความหมายอะไรถ้าร่างกายนี้ตายไปแล้วปัญหาต่างๆมันก็หายไปหมดดังนั้นถ้าเราตายได้ในขณะที่เราเป็นอยู่เราก็จะตัดปัญหาต่างๆได้หมดเลยถึงแม้จะมีปัญหาอยู่แต่มันไม่เป็นปัญหากับเราเราเป็นนี่นก็เรื่องของเป็นนี่ไปมีจ่ายก็จ่ายไปไม่มีจ่ายก็ไม่จ่ายเท่านั้นเองจะติดคุกก็ติดไปจะยืดซั์ก็ยึดไป แต่ใจไม่เดือดร้อนแล้วเพราะใจนิยอมตายยอมให้ร่างกายตายไปเมื่อยอมตายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี้จะไม่มีความหมายอะไรเลยเียนน้ำท่วมบ้านตอนนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาเลยสำหรับผู้ที่ตายไปแล้วตายด้วยความตายด้วยปัญญาคือตายด้วยการในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เรียกว่าการเห็นตายลัก การบรรลุธรรมต้องเห็นอย่างนี้ต้องเห็นว่ามีเกิดแล้วต้องมีดับต้องเห็นว่าไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเรา mm hmm. เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วใจก็จะปล่อยวางจะไม่อยากให้เป็นอย่างอื่นจะเป็นอย่างไรก็ให้เขาเป็นไปตามความจริงของเขา mm hmm. นี่คือการรับหลังวันพอเราได้ทำบุญให้ทารักษาสี้ได้เจริญสติ ได้นั่งสมาธิได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้พิจารณาจเจริญปัญญาได้พอจเจริญปั๊บเราก็จะเห็นปัญหาของเราทันทีว่าปัญหาคือความทุกข์ใจของเรานี่เกิดจากความอยากต่างๆนี้เองเกิดจากการอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุดถั่วพะ อยู่เฉยๆทำไม่ได้ทำอะไรรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจต้องดูต้องดูหนังต้องฟังเพลงต้องหาอะไรมาดื่มหาอะไรมารับประทานต้องออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆต้องร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ถึงจะมีความสุขแต่เป็นความสุขประเดียวประดาวพอผ่านไปแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมาทุกข์เหมือนเดิม พราะอ่ามันไม่ได้เป็นการแก้ความทุกข์มันเป็นเหมือนกับเวลาที่จ้จะดับไฟแทนที่จะเทน้ำลงไปกับเทน้ำมันลงไปเวลาเทน้ำมันลงไปใหม่ๆน้ามันยังไม่ร้อนไฟก็ทำท่าจะดับแต่พอน้ำมันเริ่มร้อนขึ้นมาทีนี้ไฟจะลุกขึ้นแรงกว่าเก่าอีกการดับความทุกข์ของเราด้วยการกระทำความอยากก็จะเป็นอย่างนี้ ความทุกข์จะมีแรงขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ทําอย่างนี้พรุ่งนี้ต้องทํามากกว่านี้ถึงจะถึงจะรู้สึกว่ามีความสุขและพอไม่ได้ทำก็จะรู้สึกมีความทุกข์มากกว่าเดิมดังนั้นวิธีที่แก้ความทุกข์ใจแก้ปัญหาของใจนี้ไม่ได้อยู่ที่การกระทตาต่างความอยากแต่อยู่ที่การต่อสู้กับความอยากต่อสู้ ต่อสู้หรือฝืนความอยากอย่าทาตามเวลาเกิดความอยากไปดูหนังฟังเพลงก็ให้มานั่งสมาธิแทนมาไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมหรือเปิดธรรมะถ้าจะดูก็ดูด ท, ดทีวีดูทีวีที่มีธรรมะหรือฟังก็ฟังเสียงธรร ม, มแล้วใจก็จะค่อยเย็นค่อยสงบลงไปหรือถ้านั่งสมาธิได้ ก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่นานก็จะลืมเรื่องของความอยากต่างๆพอใจสงบก็จะมีความสุขแล้วก็จะเห็นว่านี่แหละคือวิธีที่จะดับความทุกข์ดับด้วยการนั่งสมาธิถึงแม้ว่าจะเป็นการดับชั่วคราวก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าบ่อยให้มันเผาผลาญจิตใจ ต่อไปถ้าเราอยากจะดับอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาที่พูะเจ้าสอนให้เรามองให้เห็นว่าทุก อ, อย่างเป็นทุกข์นั่นแหละไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์ไวเป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มันมันบางเป็นผิวบางๆเคลือบความทุกข์ที่เป็นก้อนหนาอยู่ พอความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสได้ทำตามความอยากนี่หมดไปก็จะมีความทุกโผลขึ้นมาสร้างความทุกข์ให้อยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นถ้าอยากจะตัดก็ต้องอย่าไปทำตามความอยากให้หาความสุขภายในใจให้หาความสุขจากการนั่งสมาธิหาความสุขจากการตัดความอยากต่างๆถ้าทำได้แล้ว จิตจะมีความสงบมีความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่อยากได้อะไรไม่หิวเพราะมีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลานี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ต, ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือการรับรางวัลของพระพุทธศาสนารับรางวัลอันเลิศอันประเสริฐคือนิพพานังปรามังสุขขัง วราบัล ม, มาสุขของพระนพพานี้เป็นของพวกเราทุกคนอยู่ที่ว่าพวกเราจะทำให้ปรากฏขึ้นมาหรือไม่พวกเราทุกคนมีสิทธิเหมือนคนที่ถูกลอตเตอรี่วิถูกลอตรี่รางวัลที่หนึ่งมีสิทธิที่จะนำไปขึ้นรางวัลได้อยู่ที่ว่าจะไปขึ้นหรือไม่อยู่ที่ว่ามีศรัทธาความเชื่อหรือไม่ว่าลอตเตอรี่ที่เราซื้อมานี้ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆ ล้วอาจจะไม่เชื่อก็ได้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ไปขึ้นรางวัลแต่ถ้าเราเชื่อแล้วเราไปขึ้นรางวัลเราก็จะได้รับรางวัลอย่างแน่นอนถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้มอบประมาณที่หนึ่งให้กับพวกเราแล้วพวกเราเพียงแต่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านเท่านั้นคือทาบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาสมถะและวิปัสสนาภาวนา คือสมาธิและปัญญาถ้าปฏิบัติแล้วรางวัลต่างๆก็จะเป็นของพวกเราอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราเชื่ออย่างอย่างมั่นใจได้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่แท้จริงไม่ได้เป็นคำสอนที่หลอกให้เราทำทำความดีแล้วไม่มีผลอะไรตามมา การกระทำของเราทำความดีของเรานีแล<ม>จะเป็นการรับรางวัลอันเลิศอันประเสริฐคือความสุขตลอดเวลาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ของ น, นี่คือรางวัลที่พวกเราจะได้รับกันอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราเชื่อแล้วพยายามภาคเพียรสร้างปฏิบัติสร้าง ผลที่จะเกิดขึ้นนี้ให้ได้เพราะว่าไม่มีผู้อื่นสร้างให้เราได้ทำให้เราได้เราเท่านั้นเป็นผู้ที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาได้ถ้าเรามีศรัทธาและมีความขยันภาคเพียรอย่างที่ญาติโยมได้ขยันภาคเพียรมาวัดกันในวันนี้นี่ก็เป็นการเดินทางมารับรางวัลขอให้ทำไปเถอะทำไปให้ถึง ทำให้เต็มที่รับรองได้ว่ารางวัลคือมรรคผลนิ่พานจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ทำได้มาบางเพ็ญกันในวันนี้